ไห้เด่นอรมิ่งเนี่ยครูแว่งแย่งไมโคนแล้วก็ดือ้อแล้วก็เถียงมีสี่หมื่นเหตผลที่จะบอกว่าไม่ทำเป็นกระทรวงที่ช้าที่สุดในยี่สิบกระทรวงแล้วก็เป็นกระทรวงที่สามารถทําให้ชาติร่มจมได้กระทรวงแล้วผูคุณตกมาป็อีกเหล่าผู้เขาเนี่ยอีกหัวแล้วคุณไม่จะดีตัวคุณเององอกมาทีอ่ะผมโชคดีนะที่ไปเรียนเมืองนอกนะถ้าครูเรียนเมืองนะไทยนครูก็จะเป็นหนึ่งในในวงการนี้เขาด้วยดีที่ไปเรียนต่างประเทศ เด็กไปเมืองนอกกับเด็กอยู่เมืองไทยวิธีคิดแม่คนละเรื่องตอนเราสอนยู่วิศวะธนาศอนวิทาโภนะแคเาา่เด็กจบวิทยาศาสตร์กับเด็กจบวิศวะวิธีคิดแม่งก็่เหมือนกันละเด็กจบนอกกับเด็กจบไทยแม่งก็ไม่เหมือนกันเด็กจบไทยแม่นคล้ายๆพวกเราเนี่ยก็คือทุกอย่างรอมาเปิมีคนเคียวเฮ้ยทำไมก็ฝ่ายคนโง่ก็ทําไมครับ ประเมินวิทยากรประเมินผู้ทำแผนประเมินทุกมือประเมินอะไรกูไม่แม่แกว่าเราต้องประเมินก่อนเชิญเข้ามาแล้ววิทยากรเนี่ยประเมินก่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาตอบเจ้าเข้ามนอีกก่อนเลยแม่เล่อลวงพวนี้หนูจะรู้อีสต์โจ๊กประเมินต้ก่อนที่จะมาใช่ป่าว มานี้หลังเย็นแล้วมึงจั่วแล้วจะบอกล็อกมืดเถอะไอ้ก่อนต้องมาเมินก่อนแล้วถ้เรียวเข้ามาใช่ป่เคที่นี่เคที่ก็ไปเซอร์ิสผมก็หลายรอบสุดยอดทั้งหมดแตว่าเมินก่อนนมาตอนนี้ไม่มีเย็นะอีคนเคี่ยวให้รอบปอต่อมาก็ตัวรูไม่ยอมแทนแลกลัวฟูด่าได้แต่ก็หนาวม่ปว เพราะว่าในคุณทราบผมเนี่ยผมจะดูว่าคุณคิดอะไรอยู่หลวงปากให้การที่คิดให้คี่คุณใจมีนะเจอผมทั้งโลกนะถ้าเจอการสอนการทำใจจะดูจริตคุณให้ใารทำใจจะดูจริตหรือจะสอนวิธีให้ที่ผ่านไม่เข้าไงแต่กวนแม่ไม่เหมือนใช่มว่าดูทราบ่อนให้ได้แต่คูไม่ได้ได้ชี้เว้ยดูคาบยรู้ได้วยปรโยชน์รู้ได้ทราก่อนชางแม่เอาเดี๋ยวนี้ นะครับก็ลอ ง, ลองเปลี่ยนทิ่สายใหม่นะา ย, ยากันนะั้พวกคุณถูกไอ้ตัวนี้กินเข้าไปเต็มลักเลยนะเมนข้อโมเดลมันฝังจนกระทั่งสมองของคุณแย่งกลายเป็นซิสเตมิกไปแล้ววิธีคิดของคุณกลายเป็นซิสเตมิกซิสเตมิกมันแปลว่าสี ปังเท้าคิดเป็นหนูเดียวจริงๆเคาว่าซิสเตมิกไม่มีนะคำนี้ปีเตอร์เซนไม่สร้างขึ้นมาเองคำที่ถูกต้องก็เป็นซิสเตมเมติกซิสเตมิกหมายวาว่าทำอะไรแม่งงงเดิมหลุดเดิมคิดอย่างเดิมคิดอย่างเดิมใช่ไหมเยอะตัวอย่างเช่น กองหลังได้ลูกส่งออกรีโยนเข้าขกลางควายหมุตัวเล็กยิงอ่ะได้ลูกออกปีโยนเข้าขกลางควายหมุตัวเล็กยิยงเห็นบางไอ้โง่แม่งเล่น แ, แนะค่นั้นน่ะเข้าจับได้นะภาษาได้เปลี่ยนมาเป็นสี่สามสองหนึ่งเย็นแดดไอ้บุญโยบุญโยแม่เจ้าเปงความคิดมันเตะพุทธวารไม่เก่งแต่แม่เป็นโค้ชเก่งคนละคนเลยนะครับ คนเตะบอลเก่งอาจค้ชป่วยไม่ได้เพราะแม่งเป็นควายมาก่อนไม่เข้าใจวิธีวางแขน่คิดแมสุดยอดโค้ชคุณไม่จะเป็นต้อเตะบอลเป็นเราแม่งคิดใหม่ทุกทีที่สนิทจริงๆก็คือคุณคิดอะไรแม่งอยู่ในลู <c oughs> คุณเกิดเป็นท่านโมเดลสุดท้ายคุณเลยไม่เป็นเลยสักทีคุณก็เลยไม่เป็นแมสเตอร์สักที ถ้าคุณเปิด p e r Mastery คุณเล่นได้เป็นเซียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสักทียี่งถ้คุณเปิดจิต Reader Sense ่อนเพราะบอกเลยาษาไทยมุกเหนียวไปสิ้นเชิงแค่แรกคุณก็พังแล้วเป็นห้องโมเดลทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษไม่เก่งขพใครต้องเป็นยามผู้พูดภาษาอังกฤษใช่ไหมมาเจ้จิิ้งหัวร้อมันใหญ่่เหลือไอออนเก่งภาษาอังกฤษได้คุณก็กระแดกใช่ั้มกระแดกแคฐานเดียว คะแนนต้องหักพูดใช่มเ้เจอิเจ อ, เจอเกิดอเกลือเฉลยในระงแม่กุ้งาพ่อสาวแม่มืก็ต้องหกักเขไม่เหมือนเขาเฉลยทเป็นหัวเลาะย่อกา น, นใช้รูปตลกหินอกอนเราเราไปพลาดนะก็ะถ้าผููคนมีลูกผมแนะนำเลยนะถ้าลูกคนณอยู่การศึกษาป็นไทยอยู่สสาาก็ขอบคุณลูกคนกรุงเทพเก็จะได้มีค่าไม่ใชยังพลาลูกคุะแค่ไปที่าต่อไปทิ ดีตรงร้องอมานะคิดใหม่ทำใหม่ใครเป็นครูที่ดีสุดของลกูกใครพ่อพ่อแม่เป็นแค่ครูที่ดีเฉยยังไม่ดีที่สุดพ่อแม่เนี่ยเป็นครูที่ดีีดีกว่านั้นนี่ครับถูกต้องคุณต้องสอนให้เค้าเรียนแถวครูอะไรครับแต่เซล l e ARNING ดีที่สุดพ่อพ่อแม่จะอยู่สอนได้ช่วยชีวิตไหมตายไปสอนได้ไหมโ o เข้าต้องไปครับ s e l f learning s e l f learning แล้วต้องรู้จิตตัวเองก่อนบางคนรู้ว่าตัวเองอ่านหนังสือไม่อ่านหนังสือไม่เก่งสือเลือก่านแล้วนะทุเรศไปเจอว่าผลงานจากพฤติกรรมการดูเด็กเด็กเรียนเก่งเด็ผมดผมดูออกวลาทีเวลาอยู่ชุลาเหมือนกันนั่งมองเด็ก ยงอยางพวกผู้ญิงบางคนเนี่ยนะนะเด็กวิทยานะเราสอนฝั่งวิทยานะจะสอนเซรามิกสอนเค ม, มีอะไรพกนีนะสมมสมมตนะอีเด็กผู้หญิงนี้ก็จะนั่งเน่าแม่อีจอมเอียดเฮงยุคใช่ไอีนี่แม่งจดชิบหายเลยแล้วแม่งก็ขยันดูสือทุกวันเข้าออกทุกวันกี่กเนี้ยเอง A, ไอีเนี้ยเอเพาอะไรครับเพราะทั้งหมดไม่ทาอย่างนี้นะแต่เรียนกับกูอะี จะให้คุณได้เอไมแ่แปลว่าคุณเก่งนะแล้วคุณคิดตรง อ, อาจารย์ถ้าอาจารย์คุณแม่งควายนะคุณก็ควายอีกตัวหนึ่งก็ได้ยังคนได้ซีจะเก่งกว่าก็ได้เว้ยตอบไม่ได้เอาง่ายนะอาจารย์คนเดียวกันสอนทั้งห้องนะไอ้เสือเนี่ยเนี่ยตัวแม่งโดดล่มที่หมายนะเป็นคนโดดล่มนะมือไม่โดดล่มเลยนะมาตลอดเลยนะเกิดออกมาซีทั้งคู่ใครโง่ร อ, อ้ไหมกูคนสอนเลย ขนาดแม่โดดยังีเลยไอ้บ้านนี่แม่งมาเรียนก็ซีเหมือนกันแต่ว่าะไรครับต้อสอนต้อหาอะไรเลิกสอนได้แล้วกูเลิกสอนได้เงี้ยกูแม่งพังแล้วกูววผิดเองอาจารย์จะปรับแผนใหม่กูเลยกูผิดแล้วมันต้องให้คนมาเรียนทำไมครับอจชะชะช่าไอตัวนี้แม่งเองวะฮะไม่แก้มันนะอาจารย์ง่วๆควายๆจดชื่อเอเพราไม่มาโ ถ, โถไอ้ครูบ้านากไอ้ครูคูยิ่งเงาอาคุณ ต้าคุอานฝันเรียนแบบเรียนพจนิจิกะได้กส็สัมภาอาจารย์นะอ่านในประชาาตธุรกิจได้ทีหกภาคสามภาคผมหกดที่ผมสอบวิศวะชูลาข้อสอบแรกผมคืออะไรข้อสอบผมจงออกข้อสอบเองพร้อมเฉลยเนี่ยเดี๋ยวคุณเรียนผมเนี่หนึ่งวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมหตออกข้อสอบนะวิธีเทสผม น, นะโพสเสจงออกข้อสอบเองพร้อมเฉลยแค่นเด็กศวะเจ็ดร้อยหกสิบคนทั้งรุ่นแมง ศูนย์หมดทั้งข้องแม่ที่หนึ่งประเทศไทยก็แล่ลคนใช่ไหมี่หนึ่งเตรียมรมที่หนึ่งูนงงก็นลาอไอายต่อไม่ได้อีกตัวแล้วแม่ก็ยกคีมาด่าผมเว้ยอาจารย์น่ะไม่เห็นต้อนเลยเลยไอเวนกูไม่ครูปล ว, วิชามึงง่วยว่างไมไอพว ก, กอีแลไอพว ก, กแด่ของตายกูไม่ขี้้ามึงง่วยว่ามึงหัดทำไมครับหัดคิดช่วยมึงหัดคิดมึงจบไปมึงโดนก็หลอกไปหารููว่าโง่ไปหา หมาไรแม่งมีแค่จุดเริ่มต้นหมาไรชีวิตแม่เริ่มต้นวันที่มึงจบวันใดก็ตามมึงหยุดเรียนหนังสือจะมีคนรุ่นใหม่แซงมึงตลอดเวลามึงเป็นควายแก่อายุสี่สิบโดนเด็ก2ีห้าถอนหอกนั้นมึงอยังในกลุู่ข ย, ยันอยู่ถนงวิตกูขอนรูปห้ต้องขยันต้องลุยต้องคิดเองอกอันนึ่ออกข้อสอบนี่โคตรบ้าเลยแม่งตกห้องห้องยังยงม่งอีกก็ตกกลัองไม่สานแน่ว อ่ะดูนะผมสอนวิชา Heat Treatment เห็นเหล็กไหมเหล็กเนี่ยถ้าไปอบชุบใช่ไหมนะอบชุบให้ร้อนเ่ยนะเผาให้ร้อนเลยนะแล้วก็ทิ้งลงไปน้ําเย็นนะเฟสเฟสเหล็กก็จะเปลี่ยนถึว่าได้กวอเนี่ยหรือนี่คือข้อสอปวอเลยใช่ไหมรอบนอกจะแข็งใช่ไหมเป็นแมเชนไซข้างในก็จะนิ่มเป็นเพอร์ไรท์อะไรก็แล้วแต่ทําให้เป็นโครงสร้างทึ่ข้างนอกแข็งข้างในนิ่มข้อสอบผมออกใหม่จง อบชุบร้อนฮีททรีทเมนต์ให้ข้างในแข็งนอกนิ่มไอ้เวรแม่งตกตะนลึงห้องแม่คิดไม่ได้ทุกคอนอาจารย์คอหนูก็จะเสียบแท่งความเย็นเพื่อการดิสแทร์โซไอควายตอบแล้วอ่ะเนีย่ยเขาสอบอย่างนักศึกแบบนี้ให้คุณคิดตลอดคุณคิดตลอดอ่ะดูนะคุณเห็นไอไอไอเคอร์ A ของไอการคูลิงเคอร์มั้ยถ้าถ้าลงมาหักนิด ถ้าถ้าเดินปลายจมูกเป็นต้นปลาข้างในนะจะได้มาเทนไซส์ถ้าโค้งออกมานอกปลายจมูกของเฟสไดแกรมคุณก็จะได้เป็นพวกเพอย์สเปียรรอยไดฮ่าอะไรก็แล้วแต่นี้นะข้อสอบก็คือคูริงเคิร์ฟนี้ใช่ไหมข้อสอบผมเป็นอย่างนี้ครับได้ไรผู้เรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมข้อสอบปูแม่อย่างนี้มีหากกลับด้วยเอ่ได้ไร ก็ตอนเรียนมึงไม่ถามกูเนยเรื่องยี่เงาประหลาดประหลาดคุณต้องควรตีผมสุด ข, ขีดในเลวลาต้องถามคุณยิ่งควรตีนผมใส่คุณได้ความรู้แบบคุณได้แปลกแกเพราะคำตอบผมก็คือว่าไอ้บ้าเคิร์ฟเนี่ยแกนอนเป็นของเวลามึงหักกลับนี่มึงมึงมีเครื่องย้อนเวลาอะไรเมื่อไหร่ ว, วะข้อสอบมี่ผิดแค่นี้กูให้เต็มแล้วผมว่าเป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์เป็นไปไม่ได้ครับเพราะแกนอนในแกนของเวลาถอยเวลาได้ด้วยเหรออาจารย์บ้าอเปล่า เออถูกเต็มว่างเต็มเจ็ดร้อวิศวะจุฬาศูนย์ศูนย์ทุกตัวเลยแม่งไม่คิดไอเด็กเวรไอเด็กกวยวิชาโห้ะมโตได้ไงนี่เขาอยากเข้าใจการเรียนรู้อย่างปรองาัดยังครับเอาถามมือเลยรวิศวะมันถามมือเห็นใช้ด้วยถามมึงเลยถามเลยถามเด็กมันถามเลยเดาๆเลยถามเลย ม, ม, นะมันไม่เคยตอบได้ไงมันไม่เคยตอบได้ศนะูนยหมดเลยไม่เคยตอบได้จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเก่งนะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่าเป็นลูกของคุณเลยเจยวลาโนนเนะี่ยเก่งมากเลยมันมันบอกอาจารย์ขาหนูตอบไม่ได้เลยคะ่ะแต่อาจารย์ขาหนูนั่งหน้าไหวอาจารย์บ่อยๆจาได้ไหมครับหัวให้มันข้าแต้ม <c oughs> เต็มนะร้อยเนี่ยให้มันให้กแบบคนเรานะ เก่งวิชาการอย่างเดียวไม่พอเว้ยต้องกันล่นด้วยใช้ได้อีนี่ลูกล่อลูกชนถึงแม่เนี่ยเรียนไม่เก่งสองนศูนย์ด้วยฝีมือมันลูกเล่นขนาดนี้ด้ไม่ผัวดีแน่นอนให้เฮ้กูให้ขคอยากอะไก็ให้กูใ ห, ใ ห, ให้คือว่าโอเคมึงคิดอย่างนี้กูให้มึงเด็กผมแน้วคุณโดดล้มทั้งชั้นไม่ไหวนะพวกคุณโดดลมง่ายก็ได้นะแต่สุดท้ายสอนแบบนี้คุณกล้าโดดป่ะ โหนเลยโหนเลยไม่มีสิทิ์เจออะไรมันมันของกูเลยแล้วสุดยอดเรียนกูไม่เรียนเว้ยพวกมึงอะเอาวิดีโอไปไปทำเรื่องการอบชุบมาคนละม้วนไปเจอของจริงนู่อะไรอย่างกูกูจะต้องซอกแทกเลยใช่ไหม เด็กกูก็เด็กมันก็เริ่มเ่มมูอ๋องานอบชุบเหล็กพี่ไม่ต้องไปหาร้านแบบไหนต้องหาคอนเนคชันหรือว่ากูไม่หาให้มึงหรอกอาจารย์สมัยใหม่แม่โง่เหนื่อยได้หาใช่ไหมอาจารย์สมัยเก่าเหนื่อยได้หาคุณเดจสมัยเก่าไมม่ไม่เตรียมการสอบนะแล้วแมก็สีหลอกของอาจารย์รุ่นเก่าๆมาหาหนังสือมาทำเป็นใสเท่หน่อยมีชาติกูหน่อยก็ powerpoint แต่แม่ก็ปิ้ง powerpoint อีเว ผมว่าแล้วก็สอนพวกมึงนุกคนดูแผ่นเล็กนะแผ่นอบชุบลูกเหรอดความร็อนี่คือเฟสในเกมนะเหลวมีความเปลี่ยนไม่หลับั้งข้อก็โกรธง่าบอผมกลัวพวกมึงหลับใช่ไหมเอเอจะแทรกใวิญญาณพวกมึง <c oughs> เดี๋ยวจะเบรกละอ่ะเลิกแล้ว <c oughs> เ่วเมันละเอาตัวจริงก่อนเดี๋ยวเทวดาเข้าดีหลัง <c oughs> เรากนได้ก่อนเสมออะไรนะเคเอยกอครับว่าเขาต้องมีการเรียน้กันบอกเองคนหที่เรียนเอนอะไรใช่ไหมใช่ไแต่เรื่องแรกแจ้งไม่รมู้เลยแจ้งยังงงๆกับแมวมึงอกใหม่ๆกูก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้ว่ามึงแม่งเก่ง <laughs> <c oughs> ก็ประมาณปีที่สมอ่ะผมถูกหัวหน้าภาครีกไปคุยว่าพิจารณาตัวเองใหม่ได้แล้วนะกูโ <c oughs> ดนหัวหน้าภาคไล่ัด ผมเลยนะคิดในใจหัวหน้าข่าไม่เป็นอย่างเงี้แกันดินอย่งชิบหายด้วยสุดท้ายอยู่ครูไม่ได้ใช้เวลาออกเสียเวลาครูสอนเด็กอย่างพวกมึงเนี่ยในหัวเกี่ยโหนโเกี้ยอย่าพวกมึงเนี่ยนะสอนให้ไตาหาปลประมากไก่ได้คอยเว้ยเสียเสียเวลาเวลาออกเป็นคนเศร้าแล้วครูสอนคนนี้เขาอยากจะเรียนดีกว่าไอ้เม่อพวกมึงไม่อยากเรียนครูสอนไปแม่งไงอย่างนั้นพวกมึงแค่เข้ามานั่งฟังจะเอาเกลดใช่ไหม เมื่อเจ้าแค่ปริญญาออกไปนั้นมึงอย่ามาฟังกูสอ น, นเลยเสียเวลามึงปล่อยให้อาจารย์ที่เหลือแาเองสอนกันกูออกมารดริวข้างนอกดีกว่าเลยเกว่าเยอะถ้าใจ่างนีที่คิดาแีการสทราบว่ามาสอนชาแล้วก็นักที่มีนกูไม่สอนเนะี่ย การดูว่าภายในสองวันเนี่ยประมาณวันพรุ่งนี้เนี่ยนะพวกคุณแม่งเปลี่ยนไปยังไงนั่นเองถ้าคุณจะเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยการสอนล้มเหลวหมดเลยเงียบๆดิ้งนี้เนี่ยชั่วโมงครึ่งแรกเนี่ยมีคนถามกูสามคนแล้วดีขึ้นละวยังมีคนสรุปไม่ได้เลยตอนนี้พวกคุณเลยสรุปไปเป็นไมน์แนปเลยแม่งสรุปเป็นบูลเลตอยู่ไอออนสรุปเป็นไมน์แนปไมมาให้ได้ผมดูผมดูวิเทเบอร์คุณมาครั้งแรกเนี่ยผมจะไม่ผมจะไม่สนใจเลยมากว่าคุณเป็นใครนะสไตล์ผมนะ เพราะาคนที่มาวิเคราะห์คุณแล้วไปเล่าให้ผมฟังไม่อาจจะผิดผู้กูมาดูผู้มึงเลยเนี่ยอ่ะกูนั่งดูแผนการสอนเปลี่ยนไม่ทาหน้าผูกคุณหน้าผู้คุณเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนวิธีคำถามคุณเปลี่ยนผมเปลี่ยนแผนโมชุจวาดการเตรียมแผนการสอนคือไม่มีแผนการสอนเพราะคนที่วางแผนไม่ใช่ผมหว่าใครคุณวางแผนการสอนใคร ม, มือเงือกูใครวางแผนการสอน เออพวกเนียูเป็นแค่แม็กีตัวนึงมึงอยากรู้เนี่ยมึงกดเดี๋ยวูอธิบายนี่คือวิธีการเรียนแบบใหม่แผมจะให้วิทยากรเพ่เตรียมแผ น, นสมาแลต่งะ่งสัแล้วก็มาโยตปื น, นงั้นว่าสุดท้ายวันที่สองก็พรีเทสโพสเทสไอ้นั่นควายสอนกูไม่สอนงั้นกูน้ากเองเองเปลี่ยนวิชากูก็อยากเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวกูก็จะเปลี่ยนให้แต่ น, นั้นคนที่ถามบ่อยได้เตี๋ยไอ้ตัวนันๆๆ่นนิ่งมึงอดแต่ผมจะเซ็งผมจะถามทีหลอก่อให้มวกคุณมเรื่องเชนไปยน วันพรุ่งนี้ก็จะดูอีกรอบหนึ่งก็เหมือนดูระยะๆเนี่ยอย่าตอนนี้ผมกำลังค่อนข้างจะแบบีเลยผู้หญิขใจกานี้เเดี๋ยวผู้หญิงจะได้เห็นด้วยเนี่ยห้องเยี่ยวผู้ชายผู้หญิงมีงี้ป่ะไม่มีที่เยี่ยวได้ไหมหนที่อีกอย่างเนี่ยเนี่ยเขาเคยเขียนอยู่แล้วเนี่ยมึงยังคิดแบบเดิมทำอย่างเดิมมึงจะหวังอะไรกับการเปลี่ยนแปลงวะเนี่ยยืนเยี่ยวอ่านมั้งหรอปะ เสือกดูในที่เยี่ยวนี่อย่าอย่าคาดหวังผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงจากสันดาณนี้เหมือนเดิมพฤติกรรมเดิมๆนี่สำคัญนะเคนมาติดเขาโอเคอ่ะเขาพยายามจะเชงพวกเรานะเขาเห็นพวกเราแม่่งขี้เกียจไม่รักการอ่านเขาอตสาเอาภาพนี้มาติดให้ ไอ้คนติดก็คนจะดูด้วยว่าคนในองค์กรเนี่ยเมื่อติดไปแล้วเนี่ยพวกมันอ่านกันหรือเปล่าถ้าไม่อ่านก็สรุปไนเลยว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่แม่งไม่ลักการอ่านทำไมไม่ลักการอ่านนี่นะคนขยันแต่โ ง, ง่เนี่ยผมฆ่าทิ้งคนที่เอาเปรียบองค์กรโค้งทิ้งหมดเลยด้วยการบริหารนะถ้าที่นี่ใจอ่อนนะก็แปลว่าผู้บริหารแม่ง <laughs> มูนิที เดี๋ยวสักวันอยู่งใหญ่กว่าก็มาคูเเดี๋ยวก็ชี้หมายหมดยเฮ้ยคอยากจิตผ่าพีถามผมอย่างนี้นะคุณมาถามเนี่ยรับหลังนี้ยังดีคุณมีเศกระดาษไหมผส่งมาก็ได้เคาเจอเดิมๆแล้วจะให้ผมคาดหวังว่าจคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม่เอาความหนุ่มแน่นมาทิ้งที่ที่นี้ซะละอ่ะกลยุที่จี้กัเล่ยเรียงต่างกันไ โดยเดียวกันผู้หญิงเนี่ยที่คุยมีห้าร้อยเล่นเกลียนเขียนไม่ก็ดูเลี่ยห้าร้อยบทในการจับผู้ชายมีงเขียนไม่ได้เลยไม่ถึงวนไปวนมาอยู่แค่นั้นเสียพื้นที่บางส่วนเพื่อได้พื้นที่ตึ้งเหมือหรือสัดโจ๊กอดตอนเล่นเงินมาดอวเขาเขารู้เกมว่ามือหมดแล้วมันต้องดูอะไรเองหนังจีน จับอย่างเดียวไม่คิดเลยมากจับเข้าไปบอกเลยกูรักมึ <c oughs> <c oughs> นงนี่นไ่นันังใครแม่งทำเป็นเถอเปลี่ยนตัวให้เอกไอ้โปรเจกต์ไอออนดูเดเลเตอก์เฮ้ hey, ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวนะเว้ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรีนนิ่งของการเรียนรู้เรีนนิ่งดูหนังดูละครย้อนดูหนังบ่อยๆอ่านหนังสือนิยายเยอะๆอะ่อานตำรายเยอะ แต่พวกคุณจะใหญ่ไม่ตายตรงไหนรู้ป่าแม่งไม่รักการอ่านแค่นี้ก็จบแล้วแต่เมื่อไม่รักการอ่านก็ทำไมครับสุดยอดอ่านคือแล้วทาไงเอ่ะเอื่อดูหนังไงใช่ปะ่ะถ้าคุณไม่รักรักการอ่านเนี่ยตรงนี้ถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณก็ต้องไปดูอะไรแทนดูหนังคุณก็เลือกหนังดีๆ ด, ด้วย อย่างที่คุณจีเป็นไทยผมแกะงี้ผมนั่งดูแล้วพวกคุณแกะจบปวชปวสแนั่งเถ่ๆข้าง น, นอกแถวแก่งคอยในขณะที่เจ้านายของคุณแม่งจบมือนอกหรือในช่างของพวกคุณแม่งจบวิศวะเชียงใหม่จบวิศวะบางบัวแกันใช่ปะ่ะจบมอชมันเยอะแยะพิธีคิดแม่งก็ต่างกันทําไงจะให้พวกปวชปวสแม่งไล่หลังเราได้ทำไง คุณคุ้อเข้าใจความรู้สึกนาย น, นะนายมึงคนท้่อยู่เมืองนอกมาตลอดวิธีคิดของเขาเปลี่ยนไปแล้วแต่เขาไม่เข้าใจวิธีคิดเ ด, มเดิมทีม่เขาเคยอยู่เขาไม่เข้าใจไอ้คําสั่งก็ออกมาเป็นเพ่กแบบเมืองนอกทั้นั้นเลยทำไมผมไม่แก้ให้ลูกนอก้องปชวปชวปชวสของแม่เข้าใจเจ้านายผมก็เลยทําการทดสอบด้วยการฉายหนังฝรั่งให้ดูก่อนเรื่องแรกที่ฉายนะชื่อเรื่องออ Last Commander รัศเซลโคลเลที่แม่งมีเรือใบสามเสาเบื่อี้นั้นสอนเรื่องนี้เดยชิปโคตรดีนะเลยต่อามาก็หนังฝรั่งใส่็ไปสองสามเรื่องมินลุ ง, ลงแม่งมินไม่เคยดูหนังฝรั่งแม่งููเอามันอย่างเดียวแม่งเก็บสาระไม่ได้เลยเห็นยังทุกวินาทีที่ผ่านไปคุณเก็บสาระคุณเรยนนไม่เป็นคุณแพ้คุณท้าเยเลยสอนเรื่องวิธีดูหนังไว เอาทูเ ก, ก็บสาระจากหนังพ่อแม่ไม่รักการอ่านถูกไหมแปว่าผู้คุณไม่รักการอ่านต่อให้ที่นี่แม่งท e ํา e-learning นะรับรองแม่งตีนออกมากันั น, น, นแล้วก็ไม่อ่านด้วยเข้าใจยังไง <c oughs> คนแม่งไม่สันดานแม่งไม่อ่านนุ้งแม่ก็ต้องรู้ตัวเองว่ามึงไม่ชอบไม่อ่านเมื่อไม่อ่านนึงก็ต้องดูหนังดูหนังกั บ, รร บ, บเลยครับครบแล้วะมึงก็ต้องพบคนเก่งของมึงเพามึงจะไม่คิดจะอ่านต่อมามึงก็จ้างเขาอ่าน ๋ค่เดือนเมษาพฤษภาเนี่ยผมจะต้องไปผ่าตัดหลังผมลอกกระดูกผมใหม่ให้แม่งตรงเพราะจา์เกิดอุบัติเหตุเนี่ยรอมาตั้งนานเลยผมจะลอกหลังกูใหม่ให้ตรงวิญญาโทผมคือเหล็กตามกระดูกด้วยนะกูรอเวลานะลอกหลังกูมานั้งนานนะให้หลายได้มึงอยู่ตัวกันตอนนีโอเคละลูกโปพอสมควรแล้วใช่ไนเะมก็จะผ่าตัดหลังกูใหม่ในระหว่างที่ผ่าตัดหลังเนี่ยผมต้องเข้านอนโรงพยาบาลห้าวันนอนเล่นอยู่อีกสองเดือน ในช่วงที่นอนเล่นสองเดือนครูก็บางแผนไว้เรียบพรอยแล้วสิ่งที่จะทำก็คือครูจะอา่านหนังสือให้คนตาบอดด้วยคุณใจปะ่ะจะมีคนใุ้เทกไม่ชอบอา่านหนังสือก็คือคนตาบอด <c oughs> เขาไม่ชอบเลยเนี่ยเห็นยังก็เอาหนังสือทำหม้ามาอา่านให้เขาฟังกับคนแก่แกอายุมากๆแล้วเนี่ยเห็นยังนม้แต่นอนเนี่ยต้องทําตัวให้เป็นประโยชน์เลยเพื่อช่วยคนที่เขาไม่รับการอ่านนะถ้าเกิดพวกคุณไปนั่งท า, านะดูนาง นะพบคนเก่งจ้างเขาแล้วก็ให้คนเลยครับอัดเทสให้ฟังได้ไหมคุณอยากจะไต่เต้าโทรคุณเยอะๆคุณต้องเข้าชมรมด้วยชมรมฝรั่งได้เลฟอรั่มมันมีฟอรั่มอายุต่ำกว่าห้าสิบรายได้เท่านี้ต่ำกว่าสี่สิบรายได้เท่านี้ต่ำกว่าสามสิบรายได้เท่านี้คุณต้องเข้าฟอรั่ม ฟอรั ata, tej, ่มพวกนี้ไม่สามารถสมัครได้นะเขาจะมาเชิญคุณเข้าชมรมเองลูกเข่าแก่ใหญ่ในประเทศไทยแม่งมีฟอรั่มอยู่กันทั้งนั้นยรไหมครับเช่นมีรายได้สองร้อยล้านก่อนสี่สิบนี่ก็ฟอรั่มหนึ่งมีรายได้ห้าสิบล้านก่อนสี่สิบก็ฟอรั่มหนึ่งฟอรั่มก็คืออาสมพวกนี้จะนัดกินข้าวกันทุกวันพุธหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาเอาปัญหาแมเนจเมนต์มานั่งคุยกันแล้วก็เชิญในคนทัานนี้ในคนทัานนี้เข้าไปร่วมทิงคิงทิงคงด้วย เข้าใจไหมครับแต่ของคุณคุณมาไม่ได้ล่พวกเราฟังแล้วพวกคุณทําอะไรวันวันหนึ่งไงมึงคบใครฟอลลั่งของมึงใครถือไอ้ละอ่อนที่แดกเล่าว่ามึงวันวันหนึ่งแม่งคุยเรื่องไหรสาระไออ่อนมึงจะไปได้ไงใช่ไหมครับกูต้องหาอย่างเงี้ยเสื่อสสนหลายคนอยากไปเรียนวปอผมก็พยายามช่วยคนไปเรียนวปอทำไมให้เรียนวปอครับเท่าไหร่เรียนวปรอไหมนีอะไรต้องการหน้าเสียจากโคตรดีเลยมึงต้องเข้าไปวปอถ้าไปไม่ได้มึงไปเรียนขั้ก้า ส่ผมไม่ไม่เรียนนะผมจะสอนแย่งเข้าไปสอนเขาไปใช่ไหมะคุณตอมีฟอร์ร้ยถ้าเป็นคนจีนเขากเรียกว่ากินกินแชร์กันอะกินโต๊ะแชร์เราแม่งใช่กินโต๊ะแชร์แหงผมก็ไปกินโต๊ะแชร์กูคิดชึงกินะใช่มมีโต๊ะแชร์กิน่นนะ ทอามาเอาโกงเราเนี่ยมาจากเมืองจีนเนี่ยนะพวกคุณจะว่นานหน้าตาอจีนเนี่ยทําไมจะแลกเกณฑ์โนเลียตันได้ในหลักของเล ARNING ORGANIZE เจอเรื่องที่ไหนครับต่อแถ่คุยกันต่อ ก, กินข้าวทําไมทุกเย็นเนี่ยจึงต้องนั่งคุยกันครอบครัวต้องนั่งคุยกันถ้าคุณทราบว่าถ้าทํำพ่อแม่ลูกทุกเย็นไม่กินข้าวด้วยกันนะมึงบอกให้ระยะยาวบ้านคุณมีปัญหาจริงคนโคราชก็ชนะด้วยสุวัสด ก, กรเห็นมาก โครงการมื้อเย็นกินข้าวร่วมกันท่านจังหวัดโคราชด้วยพ่อแม่ต้องกินข้าวด้วยกันหลายคนโคราชเขาคิดอย่างนั้นครับสําคัญไหมครับสามัญครอบครัวใช่ไหมรวนรวงวันที่เพงเนะ่ยะขบผมเนี่ยธรรมดาเนี่ยปกติแล้วกินมื้อเดียวรู้วหมแต่พอมีลูกมีเมียแล้ ว, ลวไม่ได้เว้ยต้องทอดทิ้งเีเออเก่าเก่าถ้าเกิดผกินมื้อเดียวเนี่ยมื้อเย็นได้เจอลูกเมียไหมมันก็ต้องยอมกินไปด้วยนี่นเนี่ยข้างแมง คุรลูมุนี้นะยเข้าฟอลั่มบ่อยๆแถวละยองมันนี้ยังนะจำนวนอยู่ฟอลัมอะพวกรวมตัวหน้ายังนะยิ่เนี่ยํานวนกินเล้างแล้วเช็ดเเดือนที่ไหนคือแบบสวยย้อยโอ้โหอีสตโจ๊ใช่ปะ ทำต้นไม้แข่งกันที่ไหนลงมือย้ายเงินแ <c oughs> ม่งโคตรเลยดด้ดูวิธีคิดดูวิธีคิดถูกไหมดูวิธีคิดเคนะมีแววไว้พวกคุณจะมีทางอหม ถ, ถ้าเข้าฟอลัมไม่ได้เข้าอะไรรู้ไหมเข็บแววนอกจากเข็บเท้าเข้าวเว็บเลยคุณมีเว็บยังเว็บเปล เขาไว้อะไรอ่ะไปเข้าพันทิปคอมไหมแต่อาจารย์จะอยู่ห้องสุพัชราใสนะเรื่องบอลตลอดอะไรย่างบางทีกูก็สุดเสื่ยงเต่อเขาอยู่ด้านหน้าให้อย่างมันนีมาทะเลาะกงแมงเข้าห้องสมุดใช่ไหมศาสนาปัญญาประวัติศาสตร์แต่ห้องบีจเมนตมันไม่มีเว้รในพันทิปผมมึงทำบรีจเชอร์รูมขึ้นมาไงเป็นห้องบรีจเมนต์ซึ่งผก็มีขีดจากัดอีก มีคนเข้ามาแซวเดี๋ยวนี้ใครใครตอบวันนี้อาจารย์ตอบอยู่คนเดียวครูคอะไรตอบอ่ะเขามึงก็ช่วยครูสิวะมึงช่วยครูเข้ามาตอบแล้วคูก็ตอบคูก็อยากตอบครูคนเดียวหรอกมันนี้ใชนะ่มีการบริหารนะมึงก็ทำมันมามาแกแล้วมึงก็ทำมันมานั่งคุยกันนั่งนะเพราะว่าสุดท้ายประเทศไทยที่มันเจ๊ ง, งวันนี้มันไม่เป็นตัวนี้ว่า learning so เลยครับ society ทักษิณก็กำลังเน้นตัวนี้สุดๆเลยกำลังทําให้อยู่เคยไปอย่างทีเคปาร์กโอ้โหเออเะไปอย่างไ่ดูดิแต่ยองนี้อย่างทีเคปาร์อ่ะใช่ป่ะ <c oughs> ยอมชีวิตมึงจะ ล, ลูกมาทิ้งไว้ที่นี่ใช่ไหมมึงจะลูกอะไรกันแต่ยองวิดอะ่ะ คนตรวจไอโซลองวิทเองเ่แม่งจะบ้าตายอะไรยังแต่ขออ้อมังกรเนี่ยแม่งคุณรู้จักท่องเรียนเอี่ครูอีทเนี่ร้านอาหารหนู่หลังไครูเรียงคนอะไรครูรู้จักเกิดทั้งห้อเลยเย้ครูห้องสมุดคูก็รู้ครูวิทย์น่ารักหน่อยใช่ไหมหรือมีเนี่สามไม่ยองใช่ไหม ต้องวางแผนนมือวางแผนรุ่นพ่อแม่ต้องเด็ดรุ่นลูกแม่ต้องสักเซสรุ่นผมต้องเก่งนมือลูกผมตอนนี้ผมดูแววแล้วนะรุ่ผมนะถ้าแม่เรียนคณะวิศวะของวิทยาศาสตร์จะตบอโรลกแวงเรียนมาเต็มที่มึงก็เป็นผู้จัดการโรงงานแต่มึงเรียนไฟแนนซ์เนี่ยมึงจะได้เป็นอะไรครับบอร์ดบอร์ดเว้ยอีไอออนใช่ป่ะวิธีคิดด้วยเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ตนโลอนาคตนะเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะรวยแล้วเปิดเรื่องอะไรก็ได้แล้วข่าวดีนะตอนนี้คนแม่งเห่อไปเรียนอะไรกันเยอะเว้ยเห่อไปเรียนวิศวะกันเยอะแล้วมาตรฐานแม่งหวยแตกวิศวะตอนเนี้ยเจาะเป็นเอนจิเนียร์กันเยอะไอ้ผู้เรียนช่างคนแม่งเสิร์ฟอัปเกรดตัวเองเป็นเอนจิเนียร์เขาด้วยนีกออกมะสุดท้ายแม่งนะหาดคนที่จะมือเปื้อนฝุ่น